วันที่23ามกราคม2517เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำผู้คนพากันมาวัดป่ามะม่วงแต่เช้ามืดแม้วันคืนจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปปีใหม่มาปีเก่าลาลับแต่หน้าที่และภารกิจของท่านพระครูดูเหมือนจะยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะผู้คนนับวันก็ประสบปัญหาชีวิต ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนกันมากขึ้นปัญหาชีวิตอันเป็นผนพวงของความเจริญทางวัตถุเสร็จจากสังฆกรรมในพระอุโบสถแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็เดินมายังกุฏิที่ผู้คนมากหน้ากำลังรออยู่จากนั้นท่านก็จะเริ่มวินิจฉัยไขยปัญหาให้พวกเขาตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา สามสิบนาทีจึงขึ้นไปเจริญพระพุทธมนต์และฉันพัฒหารเช้าร่วมกับภิกษุอื่นๆบนศาลาพวกชาวบ้านผู้มีศรัทธาจะนำอาหารหวานข้าวมาทมบุญที่วัดป่ามะม่วงทุกวันพระผู้ทุกข์ร้อนรายแรกเป็นนักธุรกิจมาจากกรุงเทพหน้าตาของเขาเศร้าหมองเพราะการค้าขาดทุนร่วมสิบล้าน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 ขาดทุนไปเกือบสิบล้านถ้าหลวงพ่อไม่ช่วยผมคงต้องล้มละลายแน่เขาบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนวอนโยมทำธุรกิจอะไรละ่ะผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งนอกครับผมทำมาสามปีเข้านี่แล้วสองปีแรกกำไรดีมากพอมาปีหนึ่งหกก็เริ่มขาดทุนแล้วกิจการก็แย่ลงเรื่อยๆจนเกือบจะล้มแล้วครับ ลุงพ่อโปรดช่วยผมด้วยลุงพ่อโปรดช่วยผมด้วยแหมอาตมาก็ไม่สันทัดเรื่องธุรกิจเส็ดด้วยสิไหนโยมช่วยอธิบายกระบวนการของมันให้อัตมาฟังหน่อยสิแล้วอาตมาจะช่วยตรวจสอบให้ว่าทำไมมันถึงได้ขาดทุน นักธุรกิจผู้นั้นจึงอธิบายว่าผมมีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีทั้งเสื้อผ้าสำหรับเด็กผู้ใหญ่ชายและหญิงผมจะส่งตัวอย่างไปให้ตลาดดูผมจะส่งตัวอย่างไปให้ตลาดดูตลาดที่ว่าก็มีทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศยุโรปและประเทศญี่ปุน่นเขาก็จะสั่งมาทีละมากๆจนผลิตแทบไม่ทันก็รุ่งเรืองอยู่แค่สองปี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 ครับหลวงพ่อพูดตรงๆได้เลยครับท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดขึ้นว่าก้อยโยมเล่นไม่ซื่อกับลูกค้านี่นะเวลาส่งตัวอย่างไปให้เขาดูโยมก็ใช้ผ้าชนิดดีราคาแพงแต่พอเขาสั่งมาจํานวนมากๆโยมก็ใช้ผ้าอีกชนิดหนึ่งที่ดูคล้ายๆกัน แต่คุณภาพด้อยกว่าราคาถูกกว่าโยมทำอย่างนี้เพราะความโลภอยากได้กำไรมากๆเขารู้ทันเขาก็เลยเลิกสั่งอันนี้โยมจะไปโทษลูกค้าเขาก็ไม่ได้จริงไหมท่านพูดด้วยเสียงที่ตั้งใจจะให้ทุกคนณนะที่นั้นได้ยิน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 ธุรกิจของผมจึงจะคืนสู่สภาพเดิมมันก็ไม่ยากหรอกโยมแต่มันก็ไม่ง่ายถ้ายโยมไม่สามารถปฏิบัติตามที่อาตมาแนะนำผมจะปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำทุกอย่างครับนักธุรกิจพูดอย่างมีความหวังขึ้นมาบ้างดีแล้วญาติโยมทั้งหลาย จำไว้เป็นตัวอย่างเชียวนะท่านพูดกับทุกคนในที่นั้นบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ในกุฏิขณะ น, นี้ผู้ที่จะมาถามปัญหาแบบเดียวกันมีอีกสองรายท่านจะได้ถือโอกาสตอบเส้นในคราวเดียวกันเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวเมื่อจะพูดต่อท่านทำความตกลงกับเจ้าของเรื่องว่าโยมอย่าหาว่า อาตมาเอาโยมมาประจานนะก็เมื่อกี้โยมว่าใครๆเขาก็ทำกันก็แปลว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอับอายใช่ไหมครับผมไม่คิดว่าหลวงพ่อประจานถ้าหลวงพ่อทำให้ผมขายดีเหมือนเก่าได้นักธุรกิจยอมรับหาก็มีเงื่อนไขถ้าอย่างนั้นก็ฟังให้ดี การกระทําของโยมถือว่าเป็นการทุจริตหลอกลวงลูกค้าการหากำไรในทางทุจริตนั้นมันทําให้รวยก็จริงแต่รวยได้ไม่นานก็ต้องเจงคำสุดท้ายท่านใช้ศัพท์ภาษาจีนเพวกความทันสมัยและผมจะแก้ไขอย่างไรครับประการแรก โยมก็ต้องเลิกหลอกลวงเขาที่โยมทำอยู่เขาเรียกยัดไส้สินค้าใช่ไหมอันนี้อาตมาเคยได้ยินแต่เขาพูดถูกแล้วครับหลวงพ่อสมัยนี้ใครๆก็ใช้วิธีนี้กันทั้งนั้นไม่งั้นมันก็ไม่ไม่งั้นมันก็ไม่รวยครับนักธุรกิจสนองนั่นไงเอาอีกแล้ว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 ตกลงผมยอมหลวงพ่อจะไม่ทำอย่างที่ทำอีกตัวอย่างสินค้าเป็นยังไงผมก็จะส่งให้เขาตามนั้นทุกประการแล้วฝีมือด้วยนะไม่ใช่ตัวอย่างตัดเย็บด้วยฝีมือประนีตแต่พอส่งไปให้เขาเป็นฝีมืออีกระดับนึงท่านพูดดักคอแม้หลวงพ่อนี่ละเอียดจริงๆผมศรัทธาเต็มที่เลยนะครับนี่ เขาชมเป็นครั้งแรกและด้วยความจริงใจหากท่านไม่พูดเช่นนี้ออกมาเสียก่อนเขาก็คิดอยู่แล้วว่าจะหลอกลวงโดยวิธีนี้คือใช้วัสดุคุณภาพและราคาแบบเดียวกับตัวอย่างแต่จะลดความปราณีตลงเป็นการประหยัดต้นทุนด้านค่าแรงเมื่อท่านพระครูตเตือนล่วงหน้าไว้เช่นนี้เขาก็จำเป็นต้องเชื่อท่านตกลงผมจะทาตามที่หลวงพ่อแนะนาครับแล้วนานเท่าไหร่ ผมถึงจะฟื้นตัวครับยังยังไม่หมดแค่นี้ที่พูดมาเพิ่งได้ประการเดียวยังมีประการอื่นอื่นอีกนั่นก็คือโยมจะต้องสวดมนทุกวันสวดเป็นไหมไม่เป็นเลยครับเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะแจกบทสวดมน มีคนเขาพิมพ์ ม, มาทำวายไว้สำหรับแจกท่านหยิบแผ่นปลิวขึ้นมาแจกในนั้นมีบทสวดมนต์พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกในการอ่านท่านส่งให้นักธุรกิจแต่ปรากฏว่ามีบุรุษอีกสองคนที่นั่งณที่นั้นขออีกคนละแผ่นคนหนึ่งมีธุรกิจทำกระเป๋าถือส่งต่างประเทศอีกคน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 เจ้าของธุรกิจกระเป๋าถือว่าอีกสองคนก็คิดอย่างเดียวกันนั่นเพราะโยมไม่เคยสวดมนต์นะสินี่อาตมาอุตสาเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยนะถ้าเขียนแบบภาษาบาลีโยมจะยิ่งแย่กว่านี้แต่เอาเถอะค่อยๆ อ, อ่านไปก่อนแล้วจะจำได้เมื่อจำได้ ก็จะสวดมนต์เป็นถ้าไม่อยากล้มละลายก็ทำตามนี้เข้าใจไหมอ่านหมดนี่เลยหรือครับถูกแล้วอ่านหมดนี่หนึ่งเที่ยวแล้วอ่านเฉพาะบทพุทธคุณเท่าจำนวนอายุบวกหนึ่งตรงไหนครับที่เรียกว่าบทพุทธคุณแหมโยมนี่ ไม่เอาไหนเลยจริงๆนะท่านว่าคนเดียวแต่มีคนร้อนตัวถึงสามคนบทพุทธคุณก็ตั้งแต่อิติปิโสไปจนถึงพัควาตินั่นแหละโยมอายุเท่าไรละ่ะ48ครับเจ้าของธุรกิจกระเป๋าถือตอบส8ก็สวด49เก แล้วเราจะทำอย่างไรไม่ให้หลงครับผมกลัวจำไม่ได้ว่าสวดกี่จบแล้วอันนี้โยมหาวิธีเอาเองอาตมาเชื่อว่าคนที่เป็นนักธุรกิจย่อมหาวิธีจนได้นั่นแหละใช้วิธีนับการไม่ขีดสิเจ้าของธุรกิจรองเท้าหนังแนะนำงั้นผมอายุห้าสิบหก ก็ต้องสวดห้าสิบเจ็ดจบใช่ไหมครับหลวงพ่อนักธุรกิจคนแรกถามอย่างรู้สึกท้อแท้ก็ต้องอย่างนั้นท่านเจ้าของกุฏิตอบแล้วผมจะมีเวลาหรือครับวันๆผมไม่ค่อยว่างเลยท่านพระครูรู้สึกอ่อนใจจึงบอกเขาว่าเลือกเอาก็แล้วกันถ้าทำไม่ได้ก็ไม่สำเร็จ แต่ถ้าทำได้ก็จะเห็นผลภายในสามเดือนเป็นอย่างชา้าให้พัญญาย่อ ด, ด้วยได้ไหมครับได้ยิ่งช่วยกันสวดยิ่งเห็นผลเร็วถ้าให้สวดแทนผมละครับเขาต่อรองสวดแทนไม่ได้สิช่วยกันสวดนี่อาตมาหมายความว่าต่างคน ต่างสวดเท่าอายุของตัวเองบวกหนึ่งพัญญายมอายุเท่าไรละ่ะ46ครับก็ให้เขาสวด47จบเข้าใจไหมละ่ะเข้าใจครับขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับรู้วิธีแก้ปัญหาแล้วนักธุรกิจผู้นั้นจึงกราบลาปรากฏว่ามีผู้ตามเข้าออกมาอีกสองคน ท่านพระครูประสบความสำเร็จในการยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวหลวงพ่อคะฉันกับสามีทำโรงงานผลิตเครื่องตกแต่งบ้านไม่เคยยัดไส้สินค้าไม่เคยโกลงลูกค้าแต่ทำไมทำมาหากินไม่ขึ้นล่ะคะผู้ทุกข์ร้อนรายที่สองเป็นสตรีวรัย30สเศษหล่อนมากับสามีวัยเดียวกันที่นั่งก้มหน้าคอตกอยู่ข้างๆ ท่านพระครู ต, ตอบไปตามที่เห็นหนอรายงานว่าโยมไม่ปฏิบัติพระในบ้านนะสิในบ้านผมไม่มีพระครับหลวงพ่อสามีเงยหน้าขึ้นตอบถ้าจะมีก็คงเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมคะไม่ใช่รอกโยมอาตมาหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ของโยมนะเพราะโยม ไม่ปฏิบัติท่านโยมถึงได้ท ร, รมาหากินไม่ขึ้นฉันก็เลี้ยงดูแกนี่คะ่ะเพื่อนบ้านฉันสิอีกที่เอาพ่อแม่ไปไว้บ้านบางแคล่หลอนหมายถึงหน่วยงานหนึ่งของกรมประชาสงเคราะห์เอาอีกแล้วอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่างอีกแล้วอาตมาเพิ่งว่าโยมผู้ชายคนนั้นไปหยกๆยก ท่านหมายถึงนักธุรกิจที่เพิ่งลากลับไปขอทีเถอะโยมนะอย่ามองออกนอกตัวเลยให้มองเข้ามาที่ตัวเรานี่แหละมันมีข้อบอกพร่องตรงไหนก็ค่อยๆแก้ไขไปโดยไม่ต้องไปเพ่งโทษผู้อื่นเข้าใจหรื อ, อยังเข้าใจค่ะหลวงพ่อกรุณาบอกวิธีแก้ไขด้วยเธอค่ะ ก่อนที่จะแก้ไขโยมก็ต้องรู้ข้อบกพร่องของตัวเองก่อนโยมบกพร่องตรงไหนรู้ไหมไม่ทราบค่ะนั่นไงเห็นไหมตัวของตัวยังไม่รู้เลยแล้วยังเที่ยวไปรู้ตัวของคนอื่นเอาละถึงยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับอาตา ม, มา เพราะคนอื่นๆเขาก็เป็นแบบโยมนี่แหละสตรีวัยกว่าส0มีสีหน้าดีขึ้นเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่ได้บกพร่องแต่เพียงผู้เดียวอย่างน้อยๆก็มีเพื่อนหลุงพ่อช่วยชี้ข้อบอกพร่องของฉันด้วยเถอค่ะแล้วฉันจะได้หาทางแก้ไขเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ฟังให้ดีโยมไม่ปฏิบัติพ่อแม่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 หล่อนพูดเสียงเครือและมองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองอย่างชัดเจนดีแล้วที่โยมยอมรับผิดทีนี้อาตมาก็จะบอกวิธีแก้ไขโยมต้องรับท่านเข้ามาอยู่บ้านเดียวกับโยมกลับไปนี่ไปจัดการเสียโยมกินดีอยู่ดีอย่างไรก็ต้องให้พ่อแม่กินดีอยู่ดี อย่างนั้นด้วยเอาละโยมกลับไปหาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบขอขมาท่านเอาน้ำล้างเท้าให้ท่านและให้ท่านอาโหสิกรรมให้แล้วกิจการค้าของโยมก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับทำได้ไหมเหล่าได้ค่ะถ้าอย่างนั้นหนูกับสามีขอกราบลาคราวนี้ หล่อนเปลี่ยนจากชั้นมาเป็นหนูเจ้าทุกรายที่สามกำลังจะเอื้อนเอ่อยทุระนายสมชายก็คลานเข้ามาขัดจังหวะว่าหลวงพ่อครับนิมนต์ขึ้นศาลาครับเลยเวลามาหลายนาทีแล้วอ้าวได้เวลาแล้วรืได้มาหลายนาทีแล้วครับนายสมชายย้ําท่านจึงพูดกับผู้คนที่นั่งณนะที่นั้นว่า ปะเดี๋ยวนะขอเวลานอกก่อนญาติโยมก็ไปทานอาหารกันก่อนที่โรงครัวเขาคงเตรียมเสร็จแล้วเชิญทุกคนเลยนะใครมาวัดป่ามะม่วงแล้วไม่ได้ทานอาหารถือว่าไม่ได้มาพูดแล้วท่านจึงลุกจากอาสนะเพื่อจะเดินไปยังศาลาสาว ร, รุ่นรุ่นคนหนึ่ง วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาหาหล่อนคุกข่าวลงตรงหน้าท่านประนมมือพร้อมกับพูดว่าหลวงพ่อครันขอเวลาหนูหนึ่งนาทีค่ะหนูมีธุระด่วนมากหล่อนพูดอย่างรีบร้อนและไม่อาจรอคิวได้พูดไปเลยหนูท่านอนุญาตพี่สาวหนูถูกรถชนอาการสาหัสค่ะตอนนี้อยู่ห้องไอซู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 หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็เดินกลับมายังกุฏิท่านขอตัวเข้าไปล้างมือและบ้วนปากในห้องน้ําใต้บันไดแล้วจึงออกมานั่งที่อาสนะในผานมีกระดาษสี่แผ่นวางอยู่ท่านหยิบขึ้นมาอ่านทุกแผ่นแล้วพูดขึ้นว่าดูเอาเถอะใครจะเป็นจะตายก็ต้องมาให้อาตมาช่วย ยังกะอาตมาเป็นผู้วิเศษนะโยมนะท่านพยักพยเยิดกับเจ้าทุกที่นั่งอยู่แถวหลังสุดหลวงพ่อครับผมสงสัยจังครับคนที่กำลังจะตายเราช่วยไม่ให้เขาตายได้จริงๆหรือครับคนถามเป็นบุรุษวัยห้าสิบเขาเลี่ยงมาใช้คำว่าเราแทนหลวงพ่อมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมนั่นแหละโยม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 พญญาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ลูกไม่เอาฐานไม่เจริญรอยตามพ่อแม่เลยสักคนวิศวกรวัยห0ระบายความอึดอัดขัดข้องใจออกมาโยมมีลูกกี่คนสี่คนครับผู้หญิงสองผู้ชายสองแล้วเขามีครอบครัวกันหรื อ, อยังคงยังมั้งครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่กับพ่อแม่เลย พากนันหนีออกจากบ้านหมดเห็นว่าลูกชายไปเป็นอันธาผานลูกสาวไปเป็นนักร้องตามคลับตามบาร์เขาพูดอย่างขัดเคืองเห็นหนอทําหน้าที่อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องให้บอกท่านรู้ความเป็นไปของครอบครัว น, นี้เป็นอย่างดีจึงพูดขึ้นว่าโยมไม่น่าทํารุนแรงกับลูกนี่นาด่าว่าเขาแล้วยังไม่พอ ยังไปเตะไปต่อยเขาอีกลูกเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวโยมไปเตะเขาเขาก่อ น, นีนะสิแล้วพันยาโยมก็ด่าลูกแทบทุกวันใครเขาจะอยากอ ย, กอยู่ด้วยละ่ะวิศวกรผู้นั้นนั่งก้มหน้านึกถึงความผิดพลาดที่ทำไว้กับลูกแล้วผมจะทำอย่างไรครับหลวงพ่อผมอยากให้ลูกๆ ก, กลับมาครับ โยมต้องสวดมนต์ทำอย่างที่อาตมาแนะนำนักธุรกิจไปเมื่อสักครู่นี้ทำได้ไหมท่านพูดพร้อมกับส่งบทสวดมนต์ให้แผ่นหนึ่งช่วยกันสวดนะทั้งโยมและพัญญาโยมนั่นแหละสวดเสร็จก็แผ่เมตตาไปให้ลูกๆขอให้เขามีความสุขความเจริญ ไม่ช้าเขาก็จะพากันกลับมาแล้วอย่าไปดุไปว่าเขาอีกนะให้พูดกับเขาดีๆทำได้ไหมได้ครับบุรุษวัยห้าสิบรับคำหนักแน่นและจึงถือโอกาสกลาบลาท่านพระครูช่วยแก้ปัญหาให้เจ้าทุกอีกหลายรายกระทั่งถึงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาจึงบอกให้พวกเขา รับประทานอาหารกลางวันที่โรงครัวส่วนท่านก็ถือใบรายชื่อคนที่กำลังจะตายสี่รายขึ้นไปข้างบนเพื่อจัดการส่งพลังไปช่วยเหลือยังมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าพวกเขาจะรับประทานอาหารเสร็จและหนึ่งชั่วโมงนี้เป็นของคนสี่คนที่ญาติระ บ, บุว่ากำลังจะตายชั่วโมงต่อไป ก็เป็นของเจ้าทุกรายอื่นๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเสร็จสิ้นตอนกี่ทุ่มกี่ยามเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านมีชีวิตอยู่เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยแท้